สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราจบลงที่หัวข้อที่ว่าทีมงานนั้นสำคัญกว่าการทำงานเพียงคนเดียวทีมเวิร์คครับสคัญมากครับท่านศาสนาจารย์ดรฟิลเพลงนั้นได้เขียนอย่างนี้นะครับว่าผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะร่วมงานกับคนอื่นต้องเปลี่ยนแปลงในด้านอุปนิสัยท่าทีปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อสามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมและสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้มีจิตใจที่อ่อนสุภาพร่วมเดินไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเราทุกคนที่เป็นผู้รับใช้ไม่ใช่แค่ผู้รับใช้เต็มเวลาผู้รับใช้ที่รับค่าตอบแทนแต่รวมถึงผู้รับใช้ที่เป็นอาสาสมัครผู้รับใช้คารวะเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะร่วมงานกับคนอื่นในด้านอุปนิสัย ต้องปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของเราปรับเปลี่ยนท่าทีของเราปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของเราเพื่อจะสามารถมีสามาัคคีธรรมสามารถที่จะตอบสนองซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสมครับและสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขซึ่งกันและกันได้การมีจิตใจที่อ่อนสุภาพการร่วมกันทางานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากครับ ท่านอาจารรโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่ 12: บสข้อที่สิและข้อสิบอกว่าพวกเราเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันจงให้เกียรติกันและกันจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวจนจงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูงแต่จงยอมใจถ่อมใจยอมทําการต่ําอย่าถือว่าตัวฉลาดสมัยก่อนนั้นคนจีนนั้นมักจะมาเดี่ยวครับ แต่เดี๋ยวนี้คนจีนเริ่มที่จะมีนโยบายทีมงานหรือ working team เขาไม่ส่งมิชชันรีคนเดียวไปสู่สนามใหม่ครับแต่ส่งทีมหนึ่งออกไปด้วยกันเพราะว่ามือข้างเดียวตกไม่ดังครับแต่ถ้าหลายคนอยู่เรือลำเดียวกันก็สามารถช่วยกู้เรือได้ผลที่ปรากฏในการทางานมิชชั่นของคณะมิชชั่นชาวจีนก็คือได้ผลทวีขึ้นทวีคูณหลายเท่านัก พี่น้องครับการฝึกฝนผู้ร่วมงานให้ทำงานแบบเป็นทีมนั้นจาเป็นต้องเสียสละจะยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ได้อิโกโอิซึมไม่ได้เราควรจะต้องไม่แสดงความเป็นผู้นำเดี่ยวอย่างแรงกล้าเกินไปเราต้องเรียนรู้ที่จะซึมซับส่วนดีๆของผู้อื่นและเข้าใจถึงการจัดเตรียมขององค์ผู้อื่นเจ้าการเตรียมทีม การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสนับสนุนซึ่งกันและกันและการรับใช้ร่วมกันร่วมกันวางแผนร่วมกันปฏิบัติรับใช้คิดจากชาวจีนบางแห่งครับนโยบายถูกเขียนขึ้นโดยคนคนเดียวไม่ค่อยมีการสื่อสารสามาัคคีธรรมกับคนอื่นยอมรับกันแบบเงียบๆร่วมใจกันอธิษฐานคินจกก็โตขึ้นผู้ร่วมงานก็มากขึ้นแต่เมื่อผู้ร่วมงานมากขึ้น การสื่อสารสามัคคีธรรมยิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อมีใจยอมรับและมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นพัรกิจของขิตจักก็เกิดผลดีเกิดผลดีมากๆกครับการทำงานเป็นทีมนั้นไม่ใช่เป็นทัศนคติของพัฒนาธรรมแต่เป็นหลักการสำคัญทางด้านจิตวิญญาณครับเพราะฉะนั้นการรับใช้พระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าในทุกๆระดับนั้นต้องฝึกฝนเรียนรู้ ท่าทีอันเป็นพื้นฐานของทีมงานก็คือความถ่อมใจครับการที่รู้สึกต้องพึ่งพาอาศัยกันควรจะออกมาจากความรู้สึกภายในที่เกิดจากความถ่อมใจพี่น้องครับในอดีตนั้นมีผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงดีคนหนึ่งมีคนถามเขาว่าเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดของการรับใช้คืออะไรหรือแปลคําถามได้ว่าเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดในการรับใช้คืออะไรหรืออาจจะถามได้อีกอย่างนึงว่า การที่เราจะเป็นผู้รับใช้นั้นต้องการอะไรสำคัญที่สุดผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงอาวุโสท่านนั้นได้ตอบว่าเงื่อนไขประการแรกท่อมใจเงื่อนไขประการที่สองท่อมใจเงื่อนไขประการที่สามท่อมใจสามท่อมใจนาไปสู่ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 1. ่ท่อมใจ ต่อพระเจ้า 2. องทอมใจต่อมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ 3. ามทอมใจต่อตัวเองทอมใจต่อพระเจ้าหมายถึงการยอมรับพระเจ้าการยอมรับพระเจ้าว่าแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จความสัมพันธ์ความสําเร็จ พี่น้องครับเราต้องถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้าครับถ่อมใจที่สองก็คือถ่อมใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองถ่อมใจต่อเพื่อนบ้านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นรู้แล้วแต่มีจุดบกพร่องและจุดเด่นจุดบกพร่องของเราอาจจะเป็นจุดเด่นของคนอื่นจุดเด่นของเราอาจจะเป็นจุดบกพร่องของคนอื่นพี่น้องครับเราจะต้องรับซึ่งกันและกัน รับนี้หมายถึงรับคมมีดนะครับรับไปรับมามีดสองอันมีดสองเล่มสามารถที่จะรับไปรับมาแล้วมันจะคมขึ้นมาเองได้พี่น้องครับนี่คือความถ่อมใจต่อเพื่อนมนุษย์คงชื่อบอกว่าเพื่อนร่วมเดินทางไปรวมเราด้วยสามคนจะต้องมีคนหนึ่งเป็นครูของเราได้พี่น้องครับการถ่อมใจนั้นเพ่อพี่บอกว่าเดินนําหน้าเกียรติ เมื่อเราถ่อมใจลงเมื่อเราปรึกษาเมื่อเราขอความเห็นเมื่อเราพูดคุยสนทนาเมื่อเราถกปัญหาพี่น้องครับความถ่อมใจนั้นจะต้องอยู่ข้างหน้าเราเราจะต้องยึดเอาความถ่อมใจตอบผู้อื่นฟังเสียงเขาแม้ว่าจะเป็นเด็กฟังเสียงเขาแม้ว่าเขาจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรก็ตามความถ่อมใจที่สามครับก็คือความถ่อมใจ ต่อตัวเองความถ่อมใจต่อตัวเองคืออะไรครับความถ่อมใจตับตัวเองก็คือว่าเราจะต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำสำเร็จมาแล้วนั้นยังเป็นเรื่องเล็กน้อยมากรู้ว่าตัวเองยังไม่พร้อมรู้ว่าไม่ใช่ความสามารถของตัวเองความสำเร็จหรือสัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นขันถ่อมใจนั้นไม่ใช่เป็นความรู้สึกครับแต่เป็นความเข้าใจต่างหากพี่น้องครับ การถ่อมใจไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นการเข้าใจการยอมรับด้วยเหตุด้วยผลต่างหากการพิจารณาอย่างที้วนรอบคอบว่าเราเองนั้นจาเป็นที่จะต้องถ่อมใจเมื่อใครคนใดคนหนึ่งรู้ถึงความไม่พร้อมของตัวเองเขาจะถ่อมใจลงเขาจะขยันเขาจะแสวงหามากขึ้นเขาจะพยายามที่จะยกระดับตัวเองขึ้นและ ให้ความร่วมมือกับคนอื่นมากขึ้นและพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับนี่คือการทำงานเป็นทีมสำคัญที่สุดต้องถ่อมใจครับยิ่งคนที่อยู่สูงสุดยิ่งต้องถ่อมใจมากที่สุดเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจเข้าถึงเข้าใกล้ใกล้ชิดกับผู้ที่เราทำงานด้วยกันพี่น้องครับเข้าใจเขาเข้าถึงเขา และเข้าใกล้เขาและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมครับพี่น้องครับการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนอกจากความถ่อมใจแล้วเราจะต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเราจะไม่อิจฉาซึ่งกันและกันเราจะต้องให้พระเจ้านั้นเป็นผู้นำทีมพวกเราจะต้องเป็นผู้ติดตามการส่งนำของพระเจ้าเราจะต้องเป็นผู้ที่ทาให้แผนการของพระเจ้าที่วางไว้นั้นสาเร็จ เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เอาหน้าเราจะต้องให้พระเจ้ามาเป็นที่1แล้วเราเป็นที่2ที่สด้วยกันพี่น้องครับนี่คือทีมเวิร์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าทีมเวิร์ที่พระเจ้าพระภัยทีมเวิร์ที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันต้อนรับซึ่งกันและกันและไม่ถือว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นเราจะต้องฟังและตอบสนองอย่างถูกต้องเราจะต้อง พูดถึงสิ่งที่เราเองนั้นมีเป็นความรู้สึกของเราเราต้องพูดถึงสิ่งที่เราเองรู้สึกและตอบสนองสะท้อนเพื่อที่จะให้สี่งต่างที่เราทั้งหลายพูดคุยกันนั้นเป็นการพูดคุยที่ออกมาจากจิตใจของเราพี่น้องบับายครั้งทีเดียวเราเองนั้นปล่อยให้วัฒนธรรมหรือประเพณีที่เกรงใจกันไปเกรงใจกันมามากจนเกินไปนั้น บทบังความจริงของพระเจ้าบทบังความจริงที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขบดบังความจริงที่เราเองนั้นจะต้องตัวเราเองนั้นจะต้องปรับปรุงนี่คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคครับขอพระเจ้าได้เปิดเราทั้งหลายออกเพื่อกันและกันครับเพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะรับซึ่งกันและกันจะฝึกฝนซึ่งกันและกันจะถูกพระเจ้าใช้ ให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นหากเราเองนั้นไม่เปลี่ยนยากครับที่สังคมของเราจะเปลี่ยนเพราะอะไรครับเราเองนั้นอาจจะต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะเราไม่เปลี่ยนบางครั้งคนอื่นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแต่เราไม่รู้เราก็คิดว่าเราเป็นของเราอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ นั่นแหละครับคือสาเหตุของการล้าหลังหลายครั้งทีเดียวเราเองนั้นก็มีความสามารถมีศักยภาพมีแววที่จะก้าวหน้าต่อไปครับแต่สิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นอุปสรรคที่สำคัญจริงๆก็คือเราไม่ยอมเปลี่ยนขอพเจ้าช่วยเราครับที่เราจะถ่อมใจถนมใจและถ่มใจเ ป, เปลีป่ยนแปลงเ ป, เปลีป่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเข้าใจ เข้าถึงและเข้าใกล้ซึ่งกันและกันครับอาเมน